ดกระภิกษุเปรยียบเสมือนเกิดความร้อนเกิดไฟไม่ได้เพราะไม้ทั้งสองท่อนประชุมสีกันและความร้อนที่เกิดขึ้นย่อมดับย่อมเข้าไปสงบเพราะไม้สองท่อนนั้นแยกจากกันไปเช้คนละทางพอสรุปได้ว่าเพื่อเห็นวิญญาณธาตุผ่านการพิจารณาธาตุหกนั้น ที่ต้องทำคือขนเอาสิ่งที่ไม่ใช่วิญญาณธาตุออกไปให้หมดเสียก่อนแล้ววิญญาณธาตุก็จะปรากฏเป็นที่รู้เองเหมือนนำเศษอาหารและเครื่องตกแต่งอันไม่ใช่จานออกทั้งหมดก็ย่อมเหลือเพียงจานเปล่าให้เห็นเป็นปราศจากสิ่งใดเคลือบคลุมและการรู้จักวิญญาณธาตุนั้น ก็ใช่ว่ารู้โดยความหมายมั่นว่านั่นคือจิตของเราเราเป็นจิตแต่เห็นจิตเป็นเพียงาธาตุหนึ่งอันควรตีค่าไว้เสมอกับาธาตุอื่นๆคือเป็นเพียงธรรมชาติที่มาร่วมประชุมกับเขาตัวของตัวเองไม่ได้ตั้งอยู่โดยความเป็นเอกเทศหรือปรากฏลอยอยู่อย่างมีอิสระเสรีแต่อย่างใดการได้เห็นความจริงเช่นนั้นทาให้เกิดการสังเกตด้วยอีกมุมมองนึงกล่าวคือ เมื่อเกิดผัสสะกระทบให้เป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีหรือเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีความรู้สึกเหล่านั้นย่อมรู้ย่อมถูกรับรู้เหมือนร่องรอยที่สักแต่ปรากฏขึ้นไม่ต่างจากไฟอันลุก ข, ขึ้นด้วยเหตุคือไม้สองอันสีกันไม่ได้มีตัวตนไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของไฟอันเกิดขึ้นนั้นเลย ทูกไฟขออภัยค่ะไฟถูกมองว่าจะดับลงเพราะไม้สองอันแยกกันฉันใดความรู้สึกสุขทุกเฉยจะดับเพราะมันเพราะว่าผัสสะพรากจากกันก็ฉะ น, นั้นจะอธิบายแง่มุมเกี่ยวกับการพิจารณาเวทนาหลังรู้ธาตุหกในบทที่สิบว่าด้วยเวทนาอนุปัสสนาระดับสูงอีกครั้ง เมื่อจิตถูกตั้งอยู่ในจุดที่เห็นธรรมดาความเป็นเช่นนั้นก็ย่อมไม่เกิดความยึดติดย่อมทรงอยู่ในความเป็นกลางในความใสสะอาดและนิ่มนวลดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสิ่งที่จะเหลืออยู่อีกหลังจากพิจารณาสุขทุกเฉยเกิดเพราะเหตุดับเพราะหมดเหตุก็คืออุเบกขาอันบริสุทธ อ่อนโยนสละสลวยและผ่องแพ้วและสามารถน้อมเอาจิตในภาวะอันเหมาะสมดังกล่าวเข้าสู่ภูมิแห่งอรูปฌานกับทั้งสามารถพิจารณาว่าจิตอันทรงอุเบกขาบริสุทธิ์คู่ควรแก่ฌานชั้นสูงเป็นลำดับนั้นก็เป็นเพียงธรรมชาติอันถูกปรุงประกอบขึ้นหาใช่ก้อนธรรมอันปรากฏอยู่ดำรงอยู่ตลอดกาล อย่างเป็นเอกเทศแต่อย่างใดจะไม่สำคัญมั่นหมายไม่คาดหวังให้ดีร้ายจะเจริญนขึ้นหรือเสื่อมลงในเมื่อภาวะนั้นเป็นอย่างไรอย่างไรก็ไม่มีตัวตนของใครไปรองรับผลประโยชน์มีแต่ภาวะว่างเปล่าอยู่โดยลำพังสรุปเพื่อให้เป็นกำลังใจแก่ผู้เพียรปฏิบัติมาถึงจุดนี้ จะขอยกพระพุทธพจน์ในธาตุสูตจากโอกกัรตะสังยุตมอแสดงเป็นข้อสรุปของบทเลยทีเดียวดุรกระภิกษุทั้งหลายปัตตวีธาตุไม่เที่ยงมีอันแปลปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดาอาโปธาตุไม่เที่ยงมีอันแปลปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดาเตโชธาตุไม่เที่ยงมีอันแปลปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา วายโยธาดไม่เที่ยงมีอันแปลบรนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดาอากาศทาตไม่เที่ยงมีอันแปลบนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดาวิญนยาณธาตุไม่เที่ยงมีอันแปลปโหรนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดาลุกรับภิกษุทั้งหลายผู้ใดเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวซึ่งทำเหล่านี้อย่างนี้เรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นสัทยานุสารี ก้าวลงสู่แนวทางที่ถูกต้องของอริยะก้าวลงสู่ฐานะแห่งสัตวบุรุษร่วงภูมิปุตุชนไม่ทํากรรมที่บุคคลทําแล้วพึงเข้าถึงนรกกำเนิดลีราชานหรือวิสัยเปรตไม่มีทางเส้นชีวิตรับเท่าที่ยังไม่มารู้โสดาปติผลโดูกราพิสูจน์ทั้งหลายทาเหล่านี้ควรเพ่งด้วยปัญญาโดยประมาณอย่างนี้แกผู้ใด เราเรียกผู้นั้นว่าเป็นธรรมานุสารีก้าวลงสู่แนวที่ถูกต้องของอริยะก้าวลงสู่ฐานะแห่งสัตรบุรุษร่วมภูมิปุตชนไม่ควรทำกรรมที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนรกก็เมิ่นสัตบิดาฉานหรือวิสัยเปรกไม่มีทางสิ้นชีวิตตราบเท่าที่ยังไม่บรรลุพระโสดาบันขอไปค่ะไม่บรรลุพระโสดาปฏิผลโยก ร, ราภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดรู้เห็นทมเหล่านี้อย่างนี้เรากล่าวผู้นี้ว่าเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า หมายความว่าเพียงศึกษาพิจารณาธรรมะในธาตุมนสิการบบกระทั่งปรงใจเห็นคล้อยตามจริงว่าแต่ละธาตุทั้งหกอันประกอบขึ้นเป็นกายใจนี้มีความไม่เที่ยงต้องแปลไปเป็นธรรมดาจึงไม่ใช่ตัวตนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นและรักษาความเชื่ออันเกิดแต่การพิจารณาเห็นจริงนี้ไว้ชนิดที่มีความระลึกได้ไม่ลืมไม่เสื่อมจากความเชื่อยอมเชื่อว่าเป็น สัทธานุสารีอย่างไรก็ต้องมนุษย์ทำเป็นอริยบุคคลเช่นโสดาบันเข้าสักวันหนึ่งและด้วยความเชื่ออันถูกต้องเยี่ยงพุทธแท้นี้ย่อมไม่มีกำลังใจอย่างหยากและอันที่จะ ก, ก่อบาปกรรมเลวร้ายจึงประกันได้ว่าชาติถัดจากความเป็นมนุษย์จะไม่พลาดร่วงลงสู่อบายภูมิให้เดือดร้อนส่วนถ้าใครมีความเพีย ยกระดับขึ้นจากความเชื่อเป็นภาวนาจนเห็นแจ้งว่าธาตุหกไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนแบบเพ่งด้วยปัญญาเพื่อเอาจิตเข้ารู้ตามจริงย่อมเชื่อว่าเป็นกมานุสารีในความแน่นอนยิ่งขึ้นที่จะบรรลุธรรมเป็นโสดาบันและชาติตัดจกนี้ย่อมไม่ตกล่วงเข้าสู่อบา ย, ยภูมิส่วน้าใคไกลรมมรรคผลให้เกิดขึ้นแล้วย่อมมีความเห็นธาตุหกไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวตนอย่างหมดทางเปลี่ยนแปลงไม่ตกต่ำแน่แน่และจะไม่เข้าถึงแก่นสารของพระพุทธศาสนาคือตรัสรู้สิ้นเกศเป็นพระอรหันในการข้างหน้าต่อไปบทที่9กากายานุปัสนานวสีวติกา บ, บพุทธพจน์โลกรภิสุ์ทั้งหลายอีกข้อหนึ่งเหมือนเธอ เห็นศรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าชาตายแล้ววันหนึ่งบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างขึ้นพองมีสีเขียวน่าเกลียดมีน้ำเหลืองไหลน่าเกลียดฝูงกาจิกกินอยู่บ้างฝูงนกตะกุมจิกกินอยู่บ้างฝูงแร้งจิกกินอยู่บ้างฝูงสุนัขกัดกินบ้างงูสุนัขจิ้งจอกกัดกินอยู่บ้างงูสัตว์ตัวเล็กๆต่างๆกัดกินอยู่บ้าง เป็นโครงกระดูกย e ังม enfin ีเนื้อและเลือดยังมีเส้นเอ็นผูกรัดอยู่เป็นโครงกระดูกประศจากเนื้อแต่ยังเตื้อเลือดยังมีเส้นเอ็นผูกรัดอยู่เป็นโครงกระดูกประศจากเนื้อและเลือดแล้วยังมีเส้นเอ็นผูกรัดอยู่เป็นกระดูกประศจากเส้นเอ็นผูกรัดแล้วเรียรายไปในทิศใหญ่ทิศน้อยคือกระดูกมือไปทางหนึ่งกระดูกเท้าไปทางหนึ่ง กระดูกแขนไปทางหนึ่งกระดูกขาไปทางหนึ่งกระดูกเสเอลไปทางนึงกระดูกหลังไปทางหนึ่งกระดูกสันหลังไปทางนึงกระดูกสีข้างไปทางหนึ่งกระดูกหน้าอกไปทางหนึ่งกระดูกไหล่ก็ไปทางหนึ่งกระดูกแขนไปทางหนึ่งกระดูกคอไปทางหนึ่งกระดูกคางไปทางหนึ่งกระดูกฟันไปทางหนึ่งกระโหลกศีรษะไปทางหนึ่ง เป็นกระดูกสีขาวเปรียบด้วยสีสังเป็นกระดูกกรองเรียนรายอยู่แล้วกเกินปีหนึ่งขึ้นไปขออภัยค่ะเกินปีหนึ่งขึ้นไปเป็นกระดูกผุเป็นจุนแล้วเธอน้องกายนี่แหละมาเปรียบเทียบ ว, ว่ามีอะไรนั้นเป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนั้นไม่ร่วมความเป็นอย่างนั้นไปได้ดังพันานามาชนี้ทิสุยอ่อม พิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อม ในกายบ้างเธอย่อมเป็นอยู่อีกอย่างหนึง่งคือเข้าไปตั้งสติว่ากายมีก็เพียงสักว่ารู้ไว้เทียงรู้สักแต่ว่าเอาไว้อาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้ไม่ถูกปัญหาและทิฏฐิเข้าอิงอาศัยและไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกดกระลระพิสุททั้งหลายด้วยการปฏิบัติอย่างนี้แล พิสุจชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เสมอพระพุทธองค์ทรงวางแนวเบื้องต้นให้ใช้กายเป็นเครื่องละลายความไม่รู้แล ะ, ก, ละกิเลสหยาบๆต่างๆมาตามลำดับเริ่มจากทำความไม่รู้สติ เป็นสติสัมปชัญญะรู้ลมหายใจรู้อุรยาบทรู้ความเคลื่อนไหวต่อมาใช้ความโโครโคอันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติเป็นตัวละลายความใคร่ล่าสุดคือแยกความรู้และรูปกายโดยเป็นความธาตุโดยความเป็นธาตุเพื่อกะจัดความแบ่งแยกระหว่างภายในกับภายนอกเพราะเห็นตามจริงแล้วว่าความเป็นรูปนั้นก็สักแต่ว่ามหาภูตรูปสี่ เหมือนๆกันหาความแตกต่างนี้ได้ในหมดนี้ถ้าลงมือฝึกอย่างจริงจังจนสำเร็จผลก็จะพบกิเลสและความไม่รู้อีกชั้นที่ซ่อนอยู่ลึกลงไปแม้ผ่านบับต่างๆของกายานุปัสนาจนเกือบครบแล้วเหมือนจะปล่อยวางอยู่รำไรแล้วที่แท้ก็ยังมีอัตตามาณะฝังแงน่นอยู่เต็มหัวใจและบางทีการปฏิบัติที่ได้ผลเยี่ยม ในแบบก่อนๆ น, นั่นเองที่ได้ย้อนมาเป็นตัวเสริมมาณนะเช่นเห็นว่าเรามีสมาธิจากการดูลงหายใจเข้าขั้นญาณเรามีสติสัมปชัญญะจากการรู้ความเคลื่อนไหวทางกายอย่างยอดเราสามารถกำหนดรู้อวัยวะภายในมนุษย์สามัญไม่อาจเห็นได้เรามีใจอันเป็นกลางต่างจากผู้อื่นที่ไม่อาจทราบความเป็นมหาโพธิรูป หรือยังไม่ทันได้ผลอะไรเลยด้วยซ้ำก็หลงยึดเสียแล้วว่าเราเป็นนักภาวนาเราเกล็ดน้อยเรามีสภาวะจิตสูงส่งกว่าผู้ปฏิบัติพอเมื่อได้ใช้อุบายของพระพุทธองค์กำจัดลิตรอนอำนาจความถือดีมีมนณะให้แผ่วลงจริงๆ จ, จริงได้เห็นข้อเปรียบเทียบเห็นหน้าตาเกลดประเภทอัตามาณะได้ชัดชดพูดง่า ย, ายว่า ไม่ทำให้เกิดความแตกต่างใช่ก่อนก็จะไม่มีอะไรทำให้มองย้อนมาดูให้รู้แจ้งเห็นจริงเลยว่าเรามีมณะอยู่มากน้อยเพียงใดซ่อนเร้นอย่างลี้ลับลึกซึ้งขนาดไหนนวสีวติกาแปลว่าปลาช้าสำหรับทิง้งซากศพ9ก้าอย่างและ ความหมายในมหาสติปัฏฐานสูตรจะระบุถึงซากศพเก้าลักษณะซึ่งถ้าหากหมั่นใช้เป็นที่ตั้งของสติคือระลึกถึงตนเองโดยความเป็นศพหนึ่งใน9ก้าลักษณะดังกล่าวก็จะบังเกิดผลอันทราบได้แก่ตนเองว่าพระพุทธองค์ประธานวาสีที่กา บ, บไว้กำจัดง่านบางตาหรืออุปสรรคบางนิพพานชนิดใด จุดประสงค์ของนวาศีวัติกาบักในอุทายีสูตรพระสุตตันตปิฎกเล่มที่สิบสี่เหมือนภิกษุเห็นซาลีละที่ถูกทิ้งไว้ในป่าชา้าย่อมน้อมกายนี้เข้าไปเปรียบว่ากายนี้แลย่อมมีอะไรนั้นเป็นธรรมดาย่อมเป็นอย่างนั้นไม่พ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นอนุสติซึ่งพิกษุเจริญแล้วรำมามากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถอนอัศมิตรมานะ อาสนิมานะแปล ว, ว่าการถือเขาถือเรามูลแรกมาจากอัตตาว่านี่ฉันนี่ของฉันเด่งบานเป็นการเปรียบเทียบว่านั่นเขานั่นของเขาใครเหนือกว่าตามกว่าใครดีกว่าเลวกว่าใครเปรียบฉันสมน้าสมเนื้อกับเราบ้างปัจจัยประกอบให้รู้ถึงความมีดีมีเรา และสนับสนุนความถือดีในตนก็คือทุก อ, อย่างที่ปรากฏให้เห็นสภาพความเป็นมนุษย์รูปหนึ่งนามหนึ่งนักจากรูปร่างหน้าตาอันเกิดติดตัวมาแต่เกิดความรู้ความสามารถอันแปลผันตามพรสวรรค์และพรแสวงสมบัติพัสถานอันเกิดขึ้นตามสถานการณบุคคลใกล้ชิดเช่นพ่อแม่พี่น้องภรรยาลูกหลานอันทําให้ความเป็นเราหมิ็นเหินหรือ หอมหวนขึ้นกว่าเดิมคนเรามีรายละเอียดในชีวิตมากเกินกว่าที่จะระไนได้หมดว่าในความเป็นเรานั้นอยู่ตรงไหน แต่และคนมีจุดยืนอันทําให้เกิดมุมมองเฉพาะตนและถ้าถามใจคนส่วนใหญ่เพื่อเอาคําตอบตรงไปตรงมาก็มักจะต้องกล่าวว่าเป็นรูปร่างหน้าตามากกว่าอย่างอื่นเนื่องจากรูปร่างหน้าตานี้เองเป็นลักษณะแทนเราที่เห็นได้ง่ายในมโนนึกของตนเองและปรากฏชัดอยู่ต่อสายตาผู้อื่นมโนภาพความเป็นเราทําให้เกิดความสําคัญมั่นหมายไปต่างๆ อย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีความยินดีในรูปมนุษย์อันเป็นชั้นสูงสัตว์ชั้นสูงตั้งขึ้นด้วยสองขาและกระดูกสันหลังชูคออวดหน้าอกภายไหล่พิงดูดีกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นทุกๆชนิดในโลกด้วยมโนภาพสมประกอบและยังดูดีสะอาดสะอ้านของรูปแห่งอัตภาพมนุษย์ไว้เป็นโคลนนั่นเอง ที่ทำให้เราอยากแบบดีเอาไว้ไม่เลิกโดยไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็ตามดังนั้นความพยายามชะล้างกิเลสจึงมากไปสะดุดเอาขั้นหนึ่งคืออย่างน้อยอยังคงสภาพดีๆทางกายแบบมนุษย์เอาไว้ซึ่งก็จะปล่อยเหมารวมภาพลักษณ์และหรือผลงานทั้งหมดเกี่ยวกับตัวตนนั้นๆรวมเข้าไปด้วย แต่ละคนยึดมั่นถือมั่นในความน่าภูมิใจของตนไม่เท่ากันขอให้พิจารณาว่านี่แรงยึดเหนี่ยวหน่วงรั้นจิตใจไว้จากการเข้าถึงอิสรภาพสมบูรณ์บางคนมีตรงนี้มากขนาดวางมักผลและขั้นต้ น, ตนบางคนมีตรงนี้น้อยแต่ก็ขวางมักผลขั้นกลางและขั้นสูงสุดอย่าต้องพูดถึงคนส่วนใหญ่ที่มีตรงนี้กันเต็มอัตรา ขนาดปรงใจยอมรับว่าที่สุดของการปฏิบัติคือการไม่มีตัวตนก็เหลือวิสัยแสลงแววสีวัติกาบับจัดเป็นแม่แรงหรืออย่างน้อยเครื่องต่นแรงในการนัดข้อกับกิเลส ข, ข้อที่ว่าด้วยอสนอุนิมานะเป็นเครื่องมือวิเศษช่วยเขียยผงในอัตตาให้ละเอียดขอให้เขียยผงในตาอันละเอียดอ่อนยากต่อการกาจัดเมื่อใดฝน เข้าขั้นนี้ปกติเกิดมโนภาพเกี่ยวกับตนเองเป็นศพเป็นแดนเป็นเดนที่วางอยู่ตามสุสานเมื่อนั้นย่อมหมดหวังหมดอะไรใยดีในอัตภาพนี้และมีใจอ่อเกินกว่าจะเพ่อฝันถึงอัตภาพอื่นใดอีกนั่นเองใจคือคิดทิ้งจริงคือ จะเห็นกายเห็นมฒนาเห็นจิตเห็นธรรมก็เฝ้ารู้อยู่แต่สภาพเกิดดับสภาพไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอย่างสิ้นเชิงหายห่วงหายกงังวลแห้งขอดสนิทจากความคาดหวังทุกประการมีชีวิตไปวันๆแม้ห่างป่าช้าก็เหมือนอยู่ป่าชา้าแม้ไกลสุสารก็เหมือนอาศัยลงสพนอนแทนเรือนอาจจะแจ่มกระจ่างกลางใจจะยิ่งกว่าสัเ ป, ปลอที่ต้องคลุกอยู่กับคนตายทุกเมื่อเชี่ยววันจะอีก สรุปคือเบื้องแรกต้องตระนักว่าทุกคนมีมานะประจําตนด้วยกันทั้งสิ้นจึงจะเห็นดีว่าสมควรฝึกบัพนี้ตามกําลังจะมากหรือน้อยก็ตามศรัทธาหากฝึกบัพนี้แล้วลดละมานะได้ก็เป็นอันว่าถ้าพอประสบผลสําเร็จได้อย่าได้ใช้ประสบการณ์ภายในว่าต้องเห็นอย่างนั้นอย่างนี้จึงนับพอใช่ เราสำหรับคนบางคนเพียงระลึกเสมอว่ากายนี้ไม่ใช่มีดีไม่ได้มีข้อแตกต่างจากศพทั้งหลายก็ถล่มความถือดีของตนลงราบคาบบางรายซะอีกที่เห็นนิมิตกายศพชัดแบบไม่ต่อเนื่องและถือเอาประสบการณ์นั้นมาเป็นมานะชนิดใหม่คือเราทำได้เราทำดีดีกว่านักภาวนาอื่นๆ ความเชื่อมโยงกับบับก่กนหน้านวสีวัติกาหรือเป็นมุมมองภายในอีกแบบหนึ่งแตกต่างจากบัพกนหน้ากล่าวคือที่ผ่านมาเราฝึกรู้กายตามจริงไม่มีสิ่งใดขัดแย้งกับสามัญสำนึกแต่ตอนนี้ค่อนข้างแหวกแนวออกไปกล่าวคือเราต้องผเผชิญหน้ากับความจริงว่าเรายังไม่ตายแต่เราได้มองกายเป็นศพ ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ย่อมเกิดการคิดค้านขึ้นเป็นธรรมดาอย่างไรก็ตามประสบการณ์จากบับก่อนหน้าทั้งหลายเหล่านั้นเองจะรวมกันเป็นปัจจัยเสริมส่งให้เราตระหนักขึ้นมาโดยอัตโนมัติว่ากายนี้แท้จริงหาได้แตกต่างจากศพเท่าไหร่นักมีอยู่หลายจังหวะหลายโอกาสทีเดียวที่เราสามารถสำเนีจได้เกี่ยวกับเรื่องจริงอาทิเช่น 1. เมื่อผ่อนลมหายใจออกหมดจังหวะพักลมไร้ลมเข้าออก 2. เมื่ออยู่ในอุรยาบทนอนไร้ความเคลื่อนไหว 3. เมื่อจิตเข้ารู้เข้าดูเห็นรายละเอียดภายในโดยความเป็นอาการสามสิบสองจากหัวจรดเท้าผมขนเล็บฟันหนังกระดูกตับไตไส้พุงหาได้มีลักษณะแตกต่างจาก การพิเศษระหว่างคนกับคนตายแต่ประการใด 4. เมื่อจิตเข้ารู้เข้าพิจารณาแยกแยะได้ชัดเจนว่ากายส่วนที่แข็งแข็งไม่ต่างจากธาตุดินภายนอกกายส่วนเอิบอาบไม่ต่างจากธาตุน้ําภายนอกทั้งธาตุเป็นและธาตุน้ําจะยังคงสภาพอยู่ชั่วระยะหนึ่งแม้เป็นศพแล้วหลายวัน สรุปแล้วถ้าเคยเห็นชัดในบับต่างๆของหมวดกายมากครบก็เท่ากับได้ฐานที่ได้ยืนพิจารณากายเป็นศพอย่างพร้อมมูลหลายคนเข้าใจว่าการฝึกบับนี้จะต้องอาศัยศพตัวอย่างเป็นภาพติดตาใช่ก่อนแต่แท้จริงแล้วคนที่ชำนาญรู้อาการส2สองและท่าสีนั้นอาจเห็นกายเป็นศพได้ดีกว่าดูสภาพจริงด้วยตาปล่าหลายสิบหลายร้อยหลายเท่าด้วยซ้า ชนิดที่เมื่อมาเจอศพจริงๆก็เหมือนเจอเพื่อนแทบเลิกแบ่งแยกว่าเขาตายแล้วเรายังอยู่ต่อแต่คล้ายภงใจชัดว่าเขากับเราหาได้แตกต่างกันไม่วันหนึ่งกายนี้จะเลิกเป็นภาชนะรองรับอินยาณจริงๆเช่นเดียวกับศพที่เห็นหลายต่อหลายครั้งหรือว่าที่เห็นทั้งหลายวิธียุตินินิสศพบั บ, บ อันเป็นที่สุดยอดของหมวดกายนี้จะไม่ขอเริ่มด้วยการเข้าไปฝึกตรงตรงเหมือนที่ผ่านมาแต่จะขอกล่าวถึงวิธีเลิกเซีก่อนจะได้แน่ใจว่าคนอุปกรณ์นิรภัยติดมือเข้าป่าช้าครบพร้อมขอให้ปรงใจเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจ์แม้นิมิสศ ก, ก็ไม่พ้นจากความเป็นเช่นนั้นได้เห็นพักหนึ่งย่อมกลับเืนสู่สภาพเดิมโดยอตตัตโนมัติเพราะ การเห็นกายเป็นศพก็จัดเป็นเจโตสมาธิชนิดหนึ่งกำลังสมาธิร้อยร้องเมื่อไรนิมิทั้งหลายก็เลือนไปเมื่อ น, นั้นฉะนั้นจงปล่อยจิตเห็นเสียให้พอเห็นเสียให้หายสงสัยหายอะไรหายยึดมั่นให้สนิทเอาให้ซึ้งถึงใจอันหนักแน่นมั่นคงว่าเมื่อเป็นศพจะถูกทิ้งไรค่าอย่างไร จิตเราก็จะยอมรับสภาพนั้นถ่อมลงต้อยต่ำเสมอสภาพนั้นอย่างแท้จริงและโดยทั่วไปแล้วผู้ฝึกถึงเจโตสมาธิเห็นกายเป็นศกจะค่อยๆเห็นเนื้อหนัง เปื่อยยุย่ยและเหือดแห้งลงไปเป็นลำดับจนกระทั่งเห็นกระดูกขาวเห็นกระดูกขาวแล้วก็ผลเป็นผงกระทั่งไม่เหลืออะไรเลยนอกจากสภาพรูว่างๆสว่างโพนอยู่ซึ่งก็อาจจะคงค้างสภาพสมาธิอันไร้ความเกี่ยวพันกับกายเช่นนั้นสักพักหรืออาจจะกลับมีกระดูกมีเลือดเนื้อค่อยๆเป็นสมบูรณ์ขึ้นมาใหม่ หากเข้าวงจรเจโตสมาธิเห็นกายเป็นศพเน่าเปื่อยผุพังในลักษณะนี้ก็สบายใจได้ว่าทุกอย่างจะมีอุเบกขาเป็นพื้นแต่ถ้าเกิดความกลัวซสีก่อนกลางคันต้องการยุติการเห็นด้วยตนเองก็ขอให้กำหนดรู้อาการหายใจออกและเข้าอย่างสม่ำเสมอเลิกคิดคิดถึงสภาพศพและบอกตนเองว่าลมหายใจหมายถึงความมีชีวิต ขณะนี้เราอยู่ยังมีโอกาสใช้กายนี้ลดกเกล็ดเพื่อเข้าถึงธรรมหากยังมีความกลัวหรือเกิดนิมิตติดจิตก็าอาจจะฝึกตัดให้ได้แบนใจโดยอาศัยกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ชำนาญเช่นอานาปานสติถ้าได้แบบลงหายใจละเอียดและยาวลึกก็จะเหมาะหรือใช้อาจารเกษมมาล้างความหมายมั่นในกายเพื่อเอาจิตไปฝากอยู่กับความว่าง อากาศแห้งตรงนี้จะเห็นคุณค่าของอากาศกสินอีกประการหนึ่งเมื่อทำชำนานแล้วย่อมมาม马拉งิมิตหลอนได้สนิทศพมีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเหมือนเธอเห็นสริรละที่เขากิงไว้ในป่าชา้าตายแล้ววันหนึ่งบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างที่ขึ้นพองมีสีเขียวน่าเกลียดมีน้ำเหลืองไหลหน่าเกลียด ขอให้นอนราบตามปกติอย่าเพิ่งนึกจินตนาการอย่างใดๆแต่น้อมจิตพิจารณากายโดยความเป็นอาการ32อคือทำความรู้สึกตามปกติไล่จากผมขนเล็บฟันหนังค่อยๆดูจากหัวตัวไปถึงช่วงล่างหากยังฟุง้งซ่านก็อาจจะใช้กรรมฐานที่ถักถนัดเพื่อปรับสภาพจิตใจให้ละเอียดโรงใสจากที่ใดรู้สึกเกาะสนิทไม่เลื่อนหลุดง่าย เห็นชัดออกมาภายในไม่เลอะเลือนเมื่อพอจิตเริ่มเท่าที่คือไม่ออกไปไหนนอกจากขอบเขตกายที่กำหนดจึงกำหนดรู้อิริยาบทนอนหมายถึงเห็นคลุมคุมไปทั่วตลอดไม่เจาะจงจุดใดจุดหนึ่งของกายคือให้จับรู้เฉพาะเป็นธาตุดินเช่นเนื้อนหนังและกระดูก กับส่วนที่เป็นธาตุน้ำเช่นละลายในช่องปากกำหนดตามจริงว่าเมื่อเป็นศพก็จะยังมีธาตุทั้งสองอยู่เหมือนเช่นนี้เองเมื่อจิตยอมรับแล้วก็พิจารณาขั้น